คนเคยดีเปลี่ยนเป็นคนใจร้ายได้ด้วยเรื่องเงินทองผิดไหมถ้าไม่ให้ยืมเงินคุณอาจเคยได้ยินคำสอนประมาณว่าถ้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงินหรือถ้าอยากเปลี่ยนญาติในชาตินี้เป็นศัตรูไปถึงชาติหน้าก็ให้ยืมเงินมากมากมากชนิดที่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจต้องฟ้องร้องกันทีหลังเมื่อไม่ได้คืน เหล่านั้นเป็นคําสอนที่มีมูลขอให้รู้ไว้ว่าคนเคยดีเปลี่ยนเป็นคนใจร้ายได้ด้วยเรื่องเงินทองมันักตอนนักอากคุณไม่เคยยืมเงินคนอื่นบางทีคุณอาจไม่เข้าใจความรู้สึกเช่นตัวเลขในบัญชีเคยติดลบพอยืมเงินใครได้ก็ใจชื้นนึกขอบคุณเขาแต่พอเงินมาอยู่ในบัญชีตัวเองโดยไม่มีสัญญาค้ําประกันใดๆในที่สุด ยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกว่านี่มันเงินค่านี่ของของค่าดังนั้นถึงแม้วันหนึ่งจะมีพอใช้คืนแต่ความเป็นเงินของค่าก็เกาะกลุ่มหัวใจให้ดา ม, มืดไปสนิทเสียแล้วมันเรื่องอะไรจะต้องเอาเงินของค่าไปให้ใครนอกจากไม่สำนึกบุญคุณยังกลับจะนึกชิงชังเจ้านี้ที่ต้องทำให้อึดอจจัดใจอีกต่างหากฉะนั้น อย่าได้สงสัยว่าทำไมลูกหนี้หลายๆคนจึงทำตัวเร็วๆประเภทนอกจากไม่คิดใช้คืนยังมีหน้ามาใส่ใครชักจูงให้คนอื่นจงเกลียดจงชังเจ้าหนี้ของตนนั่นก็เพราะเขาต้องการหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดกล่าวคือถ้าเจ้าหนี้เป็นที่รังเกียจของสังคมก็ดูเหมือนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาทำดีด้วยเขาเองคงไม่มีความผิดถ้าไม่คิดใช้คืนเงินให้ การให้ยืมเงินที่ดีที่สุดคือให้ยืมแบบไม่จําเป็นต้องคืนเพราะคุณรู้ตัวว่ามีมากพอจะให้เงินจํานวนที่เขาต้องการไ ป, ปรเปล่าๆโดยไม่รู้สึกเสียดมเสียดายและมั่นใจว่าไม่จําเป็นต้องคิดถึงมันอีกในภายหลังคุณอาจใจปั้มโปล่งไปเลยว่าไม่มีก็ไม่ต้องคืนไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายคุณอิ่มใจพอแล้วที่ได้ช่วย การให้ยืมเงินที่ดีรองลงมาคือคุณให้เป็นจํานวนที่รู้สึกว่าคุณได้ช่วยแล้วไม่ได้ดูดายแล้วแม้ไม่เต็มจํานวนบอกเขาไปเลยว่าให้ได้เท่าไหร่ไอ้แล้วคุณไม่ต้องมากายหน่าผักกลุ่มนอนไม่หลับทีหลังถ้าเขาไม่เห็นใจตรงนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปเห็นใจอะไรเขาเช่นกันการถูกคนที่ไม่เห็นใจคุณเลิกคบ ยังดีกว่าคุณต้องเสียใจต้องเป็นฝ่ายเลิกครบเขาเสเองหลังเจอเ็าชักดาบทำหน้าทำตาลเหลวใส่คุณแต่การช่วยเหลือที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องให้เงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเองก็ไม่ได้มีเงินมากไปกว่าเขาคุณอาจเอาข้อมูลกู้ธนาคารไปให้หรืออาจค้นหาช่องทางรอดอื่นๆให้เขาโดยระลึกว่า การลงแรงหรือออกความคิดเต็มที่คือการได้ความรู้สึกว่าไม่ดูดายแล้วช่วยเต็มที่แล้วอาจจะยิ่งกว่ายื่นเงินให้ง่ายๆซสอีก